วันนี้เป็นวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสมาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาศึกษามาทำความรู้จัก เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาที่พวกเรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความเคารพนับถือนั้นเป็นอะไรกันแน่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ของพระอริยสงสาวกทั้งหลายพวกเราก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าศาสนาพุทธนี้เป็นที่พวกเรามาทำกิจกรรมต่างๆเพื่อมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้สุขให้เจริญก้าวหน้า ด้วยราบยศสารเสนด้วยความสุขชนิดต่างๆแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมกันเราจะรู้ว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นที่มาทำพิธีกรรมมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่เป็น สถานที่ศึกษาเป็นโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงสุดของโลกเลยทีเดียวเป็นสถาบันที่สูงกว่าสถาบันต่างๆที่มีอยู่ในนอกนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไหนก็ตามต่ไม่มีความ สามารถที่จะทำอย่างที่พระพุทธศาสนาสามารถจะทำให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาได้สถาบันการศึกษาต่างๆทางโลกนี้เรียนรู้วิชาวิชาทางโลก <c oughs> เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพ <c oughs> เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง <c oughs> เพื่อบำบัดทุกข์บำบุงสุขทางร่างกาย แต่ไม่สามารถที่จะมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางจิตใจได้มีสถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่จะสอนให้ผู้ที่ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจ มาบำบัดทุกข์บำบังสุขให้แก่จิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากโลกนี้ไปตายไปความรู้ทั้งหลายที่เรียนรู้มาเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็หมดความหมายไป แต่ไม่สามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรียนรู้ทางโลกนี้มาดับความทุกข์ทางใจได้เวลาที่ร่างกายเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดความอดอยากขาดแคลนต่างๆความทุกข์ใจที่เกิดพร้อมๆกับความทุกข์กายนี้ จะไม่มีอะไรจะมาสามารถดับได้นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ที่ได้ศึกษาได้เรียนสาเร็จหลักสูตรของพระพุทธศาสนานี่จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายของโลกนี้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดี ความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพจากกันก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาก็ดีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ที่ได้สำเร็จ ักสูตรการศึกษาของพระพุทธศาสนานี่และศาศาสนาพุทธจึงถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่สูงสุดที่เยี่ยมที่สุดที่ดีที่สุดของโลกแล้วก็เป็นสถาบันที่ไม่คิดสตางค์ด้วยเบียนฟรีเป็นธรรมทานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งประทานให้แก่สัตว์โลก ไม่เหมือนกับสถาบันการศึกษาที่มีอันดับสูงๆนี่ถ้าจะไปเรียนนี่ถ้าไม่มีเงินทองแบบเศรษฐีนี่เรียนไม่ได้แต่สถาบันที่สูงกว่าสถาบันต่างๆที่มีราคาแพงๆพีกับไม่คิดเงินคิดทองเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาและครูบาอาจารย์ที่มาทำหน้าที่เผยแผ่ คำสั่งคำสอนต่างๆนี้ท่านเป็นผู้ที่ไม่หวังผลประโยชน์อะไรจากการทำงานนี้เลยท่านทำด้วยความเมตตากรุณาทำด้วยความสงสารพวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียว ต่อผู้ที่มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทรงให้เป็นธรรมทานซึ่งเป็นการให้ที่สูงสุดเป็นการให้ที่เหนือกว่าความการให้ทั้งปวง mm hmm. การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะประโยชน์ที่จะได้รับจากธรรมะนี้เป็นประโยชน์ที่เหนือกว่าประโยชน์ทั้งหลายนั่นเอง นี่คือความวิเศษมาศจรย์ของพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษากันพวกเราจะไม่รู้ว่าเราได้เพชรที่มีคุณค่าราคามหาศาลเราอาจจะไปคิดว่าเป็นของธรมธรมดาธรรมดาแต่ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงผลต่างๆของพระพุทธศาสนาแนละ้ว จะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะประเสริฐเล่อนโลกเท่ากับพระพุทธศาสนานี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราควรที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวของเราเองให้ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาพวกเรานี้เป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษา เวลาเราไปเรียนไปศึกษานี่เราไปฟังคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็นำเอาการบ้านที่ครูบาอาจารย์มอบหมายไว้ให้เอากลับมาทำที่บ้านเพื่อเตรียมตัวที่จะไปเข้าห้องสอบเวลาที่มีการสอบกันเช่นช่วงนี้โรงเรียนต่างๆอยู่ในช่วงสอบ ปายเทอมกันก่อนที่จะมาสอบก็ต้องเรียนก่อนกข้าห้องเรียนในวิชาต่างๆเรียนวิชาต่างๆเรียนแล้วก็เอาไปทำการบ้านไปซ้อมก่อนแล้วพอถึงเวลาที่จะทดสอบเพื่อที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นต่อไปก็จะต้องมีการสอบ สอบคำถามต่างๆถ้าสอบผ่านก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปศาสนาพุทธนี้กเ็เป็นเหมือนโรงเรียนที่มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรีโทเอกอนุปริญญาปริญญาตรีโทเอกมีครบหมดในพระพุทธศาสนา ผู้ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนของพระพุทธศาสนาก็ต้องเรียนตามขั้นตอนของโรงเรียนเวลาเราไปโรงเรียนตอนที่เราเป็นเด็กเขาก็จดให้เราอยู่ชั้นอนุบาลก่อนแล้วพอเราเรียนผ่านชั้นอนุบาลก็ขึ้นสู่ชั้นประถมจากชั้นประถมเราก็ขึ้นสู่ชั้นมัธยม จากชั้นมัธยมเราก็จะเข้าสู่ระดับปริญญาต่างๆได้เริ่มตั้งแต่อนุ ป, ปริญญาแล้วก็ไปสู่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตามลำดับต่อไปพอได้บรรลุถึงขั้นปริญญาเอกก็ถือว่าได้จบหลักสูตรการศึกษาสามารถที่จะไปเอาความรู้ที่ได้ศึกษาได้นําเรียนนี้ ไปรักษาไปดูแลจิตใจของตนไม่ให้ต้องมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังไม่ได้จบหลักสูตรของพระพุทธศาสนาผู้ศึกษานี้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเกิดในสังสารวัฏในวัในไตรภคเนี่ย สังสารวัฏก็คือที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกในไตรภพคือภพทั้งสามได้แก่การมาภพรูปภพและอรูปภพนี่คือพระพุทธศาสนาของพวกเราพวกเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนถ้าเราเริ่มต้นเข้ามาศึกษานี้เราก็อยู่ในชั้นอนุบาลก่อน ชั้อนุบาลเพราะการการเรียนการการศึกษามันง่ายกว่าชั้นประถมชั้นมัธยมนั่นเองผู้ที่เริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นจากขั้นที่ง่ายก่อนเพื่อที่จะได้มีกำลังที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่ยากต่อไปเหมือนกับเวลาเรียนหนังสือชั้นอนุบาล น, นี้เขาไม่ให้เรียนมากมเขาให้หัดอะไรบางอย่างที่จาเป็น หัดกอไก่ขอไข่หัดนับหนึ่งสองสามยังไม่ต้องเขียนอ่านออกเขียนได้อะไรมากนะักให้ท่องกอไก่ไปก่อนให้ท่องหนึ่งสองสามไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยคอยเรียนรู้เพิ่มเติมไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วพอก้าวขึ้นไปก็จะเพิ่มการเรียนให้มีมากขึ้นให้มีสาระ เนื้อหามากขึ้นไปทางศาสนาก็เหมือนกันขั้นแรกหรือขั้นอนุบาลของการศึกษาของพระพุทธศาสนาก็คือขั้นทานทานแปลว่าการให้การแบ่งปันการเสียสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มี ก่นต่อความจำเป็นความจำเป็นคืออะไรก็คือการดูแลเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ร่างกายของพวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องมีกันเราจำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรค ที่เราไปทำงานทำการทำมาหากินกันนี้ก็เพื่อหาปัจจัยสีน่นี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองมาดูแลร่างกายไม่ให้อดดยากขาดแคลนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่บางทีการหาเงินทองของเรานี้ก็จะหาได้มากกว่าความจำเป็นแล้วถ้าเราไม่มีใครสอนเราก็จะเอาเงินที่ เหนือจากการเลี้ยงดูร่างกายนี้ไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่เป็นโทษกับจิตใจมากกว่าเพราะความไม่รู้ของเราว่าการใช้เงินทองเพื่อหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์สุขที่แท้จริงกับจิตใจแต่เป็น โทษกับจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเป็นเหมือนกับการไปเสพยาเสพติดนั่นเองผู้ที่เสพยาเสพติดนี้เขามีความสุขกันเวลาที่เขาได้เสพยาต่างๆแต่เวลาที่เขาไม่สามารถที่จะไปหาซื้อยาเสพติดมาเสพได้เวลานั้นจะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก อันใดเงินทองที่เราเอาไปใช้ไปซื้อของที่ไม่จำเป็นเอาไปหาความสุขทางตาหูจมูกขึ้นกายเช่นไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูหนังฟังเพลงไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือซื้อของหรูหรามาใช้กับปัจจัยสี่ก็ไม่ไม่ควรจะทำ ปัจจัยสี่เช่นที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องดูดหมยารักษาโรคนี้ควรจะใช้แบบสมัทธเรียบง่ายใช้ไปที่ประโยชน์มุ่งไปที่ประโยชน์ของการใช้สอยคือให้มันใช้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้ก็พอไม่จำเป็นจะต้องเป็นของหรูหราของที่มีราคาแพ ง, แพง พราประโยชน์ที่ได้ก็เท่ากันกับของที่เรียบง่ายเช่นอาหารที่เรียบง่ายกินข้าวคลุกน้ำปลาผักจิ้มน้ำปลาจิ้ง น, น้ำพทิกกินก็ไปไมันก็อิ่มหรือไปกินของแพงๆของในร้านพัตตการในโรงแรมมันก็อิ่มเหมือนกันมันก็เลี้ยงดูร่างกายได้เท่ากัน แต่เงินทองที่ต้องเสียไปนี้มันมากกว่ากันและเงินทองนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจะตกลงมาเหมือนฝนฟ้านะในทางฟ้าเงินทองต้องไปหากันมาต้องไปดิ้นนนนขวนขวายหาเงินทองนากันและบางครั้งก็อาจจะไปหาโดยวิธีไม่ชอบเพราะ กลัวจะไม่พอใช้กลัวเงินจะหมดเพราะใช้มากก็เลยบางทีต้องหาโดยวิธีมิชอบคือวิธีผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็จะไปทําให้จิตใจนี้ต้องไปทุกข์กับการกระทําบาปต่างๆแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะต้องไปติดคุกติดตารางต่อไปนี่คือการใช้เงิน ที่มีเกินต่อความจำเป็นต่อการใช้ในการเลี้ยงดูร่างกายของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เอาเงินทองส่วนเกินนี้มาทาบุญทาทานดีกว่าเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจะช่วยดับความทุกข์ทางจิตใจได้ในระดับหนึ่งช่วยสร้างความสุขให้กับจิตใจได้เพราะจะทาให ใจไม่ต้องทุกข์กับการที่จะต้องคอยหาเงินมากๆเพราะว่าใช้เพียงเท่าที่จาเป็นเท่านั้นเองก็จะไม่ต้องไปดิ่นรนไปทำบาปทำกรรมไปทาผิดกฎหมายที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจให้เอามาทำบุญทำทาน แล้วจะทำให้ใจนี้มีความอิ่มเพราะจะตัดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของต่างๆเพื่อมาเสพเป็นเหมือนไปซื้อยาเสพติดเหมือนพวกเรานี้เราไม่ไปซื้อยาเสพติดมาเสพกันเพราะเรารู้ว่าเสพแล้วมันจะติดแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจเราไปซื้ออาหารมารับประทานกัน ชันใดอาหารของใจก็คือบุญนี่เองคือการทำบุญทาทานถ้าใจเราหิวอยากไปเที่ยวอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราพุทธเจ้าบอกว่าเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานดีกว่าจะทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขแล้วจะหยุดความอยากที่จะไปเที่ยวได้ หยุดความอยากที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆได้หยุดความอยากที่จะไปซื้อของหรูหราได้แล้วจะทำให้ไม่ต้องมีเงินทองมากก็มีความสุขได้เพียงแต่ไม่มีความอยากใช้เงินทองไปในทางที่ผิดนี้ก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วถ้าเราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไป ดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปซื้อของฟุม่มเฟือยอะไรต่างๆอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรแต่ตอนนี้ถ้าเรายังใช้เงินทองเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่เราต้องฝืนต้องดึงเอาเงินทองที่จะไปใช้ซื้อความสุขเหล่านี้เอาไปทำบุญทำทานกัน นี่แหละเรียกว่าขั้นแรกของการศึกษาของการปฏิบัติทางศาสนาพุทธให้เรามาเปลี่ยนวิธีใช้เงินหาความสุขกันอย่าใช้เงินเพื่อหาความสุขด้วยการไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของหรูหราต่างๆ เอาเงินส่วนนี้ส่วนเกินนี้ไปทําบุญทําทานจะทําให้เรามีความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ปราศจากโทษปราศจากพิษภัยต่างๆจะทําให้เราไม่ติดเที่ยวไม่ติดกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ติดกับการซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ติดกับการซื้อของหรูหรา เราจะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายแบบนักน้อยสันโดษได้นักน้อยก็คือเราจะมีเท่าที่จําเป็นที่จะต้องมีเท่านั้นคือมีปัจจัยสี่พอเลี้ยงดูร่างกายได้เราก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นแล้วการมีความอยากต้องการมากๆนี้มันจะทําให้ใจต้องดิ้นรนอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่มีความสุข แล้วต้องดินไปหาสิ่งที่คิดว่าจะให้ความสุขกับตนแต่พอได้มาก็สุขเดียวเดียวหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ได้มานั้นก็ไม่มีความหมายกับจิตใจต่อไปต้องไปหาสิ่งใหม่มาเติมอยู่เรื่อย เ, รอย <Yeah. S 1> เพราะความอยากมันไม่ได้หมดไปกับการไปทำตามความอยากความอยากมันจะหมดด้วยการที่เราไม่ไปทำตามความอยาก ทุกครั้งอยากไปเที่ยวก็เอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทำบุญเช่อนอาทิตย์หน้านี้จะมีหยุดสี่วันด้วยกันสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองส่วนใหญ่ทางรัฐบาลก็ต้องการจะให้ไปเที่ยวกันเพอจะได้เอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกิเลสกันถ้าทางศาสน า, าบอกว่าเอาไปทำบุญดีกว่า ไปอยู่วัดกันถ้าอยากจะไปเที่ยวอยู่บ้านไม่ได้ก็ไปอยู่วัดกันไปอยู่วัดเพื่อจะได้ไปเรียนไปศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ไปหัดปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปจากทำตั้งแต่ขั้นแรกคือทำทานไปอยู่วัดก็เอาเงินไปไปทำบุญทำทานที่วัดได้ช่วยอุปถัมภ์ศาสนาอุปถัมภ์โรงเรียน ให้ได้อยู่ไปนานๆเป็นที่พึ่งของลูกหลานและตัวเราต่อไปอันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะนอกจากได้ทำทานแล้วก็จะได้ไปขึ้นไปหัดเรียนชั้นที่สูงต่อไปซึ่งมีอยู่ถึงสี่ชั้นด้วยกันสี่ระดับด้วยกันคือจากชั้นทานก็มีชั้นปฐมก็คือชั้นศีลไปหัดรักษาศีลต่างๆ แล้วจากชั้นสีก็ไปชั้นมัธยมก็คือไปหัดฝึกทําสมาธิกันไปหัดเจริญสติไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็มีชั้นสูงกว่าชั้นสมาธิคือชั้นปัญญาก็ไปเรียนปัญญาระดับอนุปริญญาระดับปริญญาตรีโทเอกอันนี้ะเป็นที่ สิ่งที่เราควรทํากันเรามักจะลืมหน้าที่ที่แท้จริงของเราชาวพุทธหน้าที่ของเราชาวพุทธคือต้องเรียนคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้นานาเอาไปปฏิบัติให้ให้บรรลุผลขึ้นมาให้เรียนให้จบปริญญาเอกของพระพุทธศาสนาแต่ส่วนใหญ่พวกเราไม่รู้ความจริง ในเรื่องของศาสนาน้าเรื่องหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องมีต่อศาสนาหน้าที่ของเราก็มีเพื่อศึกษาคำสั่งคำสอนแล้วก็ปฏิบัติคำสั่งคำสอนในแต่ละขั้นเลื่อนขั้นขึ้นไปตามลำดับเมื่อกี้ได้เล่าถึงเรื่องขั้นแรกคือขั้นการทำทานถ้าเราทำทานได้แล้วต่อไปเราจะ ไม่ต้องไปดิ้นลนหาเงินหาทองมากเราก็จะรักษาศีลได้ง่ายคนที่ต้องการหาเงินหาทองมากๆหาแบบง่ายๆหาแบบเร็วๆนี้มักจะต้องไปทําบาปต้องไปโกหกหลอกลวงต้องไปช่อกงเพื่อที่จะได้กําไรมากๆได้เงินมาก ๆ, ๆมาแต่สําหรับผู้ที่ ทำบุญทำทานจนกระทั่งใจมีความอิ่มมีความพอกับเรื่องของเงินทองจะไม่หิวจะไม่อยากที่จะใช้เงินทองกับสิ่งต่ตางๆก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปหากินแบบทุจริตกันไม่ชอบหากินแบบไม่ชอบกันก็จะสามารถรักษาศินได้อย่างง่ายได้จะไม่ต้องโกหกลูกค้าว่าของซื้อมาราคานี้นะ ขายต่ำกว่านี้ไม่ได้นะขายแล้วขาดทุนนะอันนี้โกหกทั้งนั้นอนะ่ะไม่ไม่จำเป็นจะต้องโกหกและไม่ต้องช่อโกงบางทีชั่างของก็ช่างไม่เต็มกิโลหรือไปตั้งกิโลให้มันให้มันให้มันหลอกอ่ามจริงหนึ่งกิโแต่ของจริงๆมันไม่ถึงกิโลอนนี้เรียกว่าช่อโกงลักทรัพย์ของผู้เนื้อโกหกหลอกทั้งห อันนี้เป็นวิธีการทำมาหากินของคนในโลกนี้ครั้งนั้นเราต้องมีวิธีหลอกลวงลดแรกจากแถมคิดว่าเขาแจากจริงๆเนะคิดว่าเขาลดจริงๆเหรอเขาไม่ลดหลอกเพียงแต่เขาหลอกแล้วว่าเขาตั้งราคาสูงๆแล้วก็ลดมาให้เราดีใจนะเนาะโอ้ได้ลถราคาหรื้อไปซื้อของแล้วได้ได้คูปองกลับมาแจากคูปองอันนี้เป็นของการหลอกลวงเข้าใจไหม เขาก็ตั้งราคาสูงแล้วเขาก็แจกครูปองเราลับมาห้าบาทซื้อร้อยหนึ่งแจกห้าบาทความจริงราคาจริงมันก็แค่เก้าสิบแต่เขาไปตั้งมันที่ร้อยหนึ่งเขาก็แจกได้ถึงครูปองห้าบาทสิบบาทคนซื้อก็ดีใจโอ้เราได้ลดได้กำไรที่ไหนได้โดนหลับโดนไปรู้สึกตัวเพราะว่าต <c oughs> าเขาทาจริงๆเขาจะมาเขาจะมีกำไรได้ยังไงใช่ไหม ถ้าเขาบอกจริงๆตามที่เขาพูดเขาก็ขาดทุนนั่นนึงถ้าขาดทุนเขาก็ต้องปิดร้านปิดกิจการแต่ทำไมเขาลดแรกแจกถามแล้วยิ่งรวยยิ่งกำไรก็เพราะเขาโกโหกเราหลอกลวงเรานั่นแหละเราก็โง่เชื่อเขา mm hmm. คิดว่าโอ้ยเขาแจากให้เราตอบสนองในฐานะที่เป็นลูกค้าที่ดี ลดราคาพิเศษสิบเปอร์เซ็นว่าออไปอันนี้เป็นกลยุทธ์ของการทามาหากินของคนในโลกนี้ของคนที่มีความโลภที่อาจจะได้เงินทองมากๆเพราะจะเอาเงินทองไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของแพงๆกันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่คุ้มกับการที่มาทาผิดศีลผิดธรรม เพราะการทําบาปนี้มันมีผลตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วร่างกายตายไปแต่จิตผู้ที่ทําบาปนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตเป็นผู้รับผลบาปตั้งแต่ทําเลยทําบาปแล้วจะมีจิตใจที่ไม่สบายจิตใจที่ไม่เป็นปกติจิตใจที่ไม่มีความสุข แล้วตายไปก็ต้องไปรับผลบาปในอบายขึ้นอยู่ว่าทำแบบทำบาปแบบไหนทำบาปมากน้อยเพียงไรทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปตกนรกกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ตามมาอย่าไปคิดว่าพอร่างกายตายแล้วเราตายไปกับร่างกายนะเราอยู่ที่ใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไปกับใจต่อไปแล้วก็บาปที่เราทำก็จะเป็นผู้พาเราไปอาบายกันแต่ถ้าเรามาทำบุญกันอยู่เรื่อยๆแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือย เอาเงินไปทำบุญทำทานกันเบื้องต้นก็ทำที่วัดก่อนเพราะเราต้องไปโรงเรียนเราต้องสนับสนุนโรงเรียนของเราแล้วเราต้องไปเรียนหนังสือที่วัดกันแต่ถ้าเรามีโอกาสมีเวลาอย่างอื่นเราอยากจะไปทำบุญที่อื่นก็ได้เบื้องต้นก็ทำกับพ่อแม่ก่อนทำบุญกับพ่อแม่ทำทานกับพ่อแม่ ทำบุญกับญาติพี่น้องที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก่อนช่วยกันให้เขาอยู่ได้เป็นปกติสุข <c oughs> ไม่ต้องให้เขาล่ามรวยช่วยให้เขาพ้นทุกข์จากการอดอยากขาดแคลน <c oughs> แล้วถ้ายังมีเหลืออยู่อยากจะไปทําบุญข้างนอกไปที่ไหนก็ได้ไปโรงเรียนก็ได้ทําบุญที่โรงพยาบาลก็ได้ทําบุญกับสัตว์จอนจัดก็ได้ทาบุญกับคนพิการทาบุญกับ คนแก่คนเท่าคนชราทำได้หมดสามารถเลือกทำเมาตามความพอใจปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ไปไทยชีวิตวัวควายก็ได้นี่เป็นการทำบุญชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกันเป็นชั้นเป็นขั้นอนุบาลที่พวกเราจะต้องมาทำกันให้ได้ อย่าเอาเงินไปใช้กับของฟุ่มเฟือยอย่าเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกิ่นรถมาเสพ <Yeah. S 2> เพราะมันเป็นยาเสพติดแล้วมันจะทำให้เราต้องใช้เงินมากขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> เพราะมันพอมันติดแล้วมันต้องเพิ่มปริมาณของการเสพ <Yeah. S 2> เคยเสพแค่นี้วันนี้มีความสุขครั้งหน้าถ้าเสพเท่านี้มันไม่สุขเหมือนกับครั้งที่แล้ ว, ลวอยากให้มันสุขเหมือนครั้งที่แล้วต้องเสพเพิ่มอีก ขึ้นไปอีกเราดูคนที่สูบบุหรีด่ดูตอนตอนแรกก็สูบทีวันละมวลสองมวลเดี๋ยวต่อไปก็กลายเป็นสี่ห้ามวลต่อไปก็ครึ่งซองต่อไปก็ซองหนึ่งเดี๋ยวก็สองซองขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเริ่มสูบทีสองซองมีใครหัดสูบบุหรีท่ทีสองซองไหวไหสูบไม่ไหวหรอกหาความอยากนี่มันจะค่อยๆดีบเรา ดีดใจให้เราสูบเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ถึงใจเคยสูบเท่าไหรแล้วมาสูบเท่าเดิมนี้มันไม่ถึงใจมันต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทันใดเงินทองก็ต้องใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเงินทองใช้มากๆขึ้นไปการหาเงินก็ต้องหาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่รายได้มันไม่ขึ้นตามที่ความอยากต้องการเงินน่ะสิ มันก็เลยต้องหาแบบวิธีซิกแซกหาวิธีไม่สุดเจริญหาวิธีด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการชอบโกงต่างๆนี่แหละถ้าเราเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดมันจะทำให้เรานี้ติดกับการหาเงินติดกับการใช้เงินแล้วมันจะทำให้เรานี้ไม่สามารถที่จะไปรักษาศีล เลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ชั้นที่สูงขึ้นได้ชั้นที่หนึ่งก็ชั้นอนุบาลก็เข้าไม่ได้ถึงแม้เป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเหมือนเป็นเด็กไปสมัครโรงเรียนแล้วก็ไม่ไปเรียนไม่ไปโรงเรียนเพราะไปไม่ได้เพราะชอบหนีเที่ยวกันชอบหนีเที่ยวกันแต่ถ้าไปโรงเรียนถ้าเป็นชาวพุทธจริงต้องไปทําบุญทําทานกันทําที่วัดก็ได้ทําที่ไหนก็ได้ เอาเงินที่เป็นส่วนเกินจากการเลี้ยงดูปากท้องนี่และเงินที่เก็บสำรองไว้ในอนาคตเนี่ถ้ายังมีเกินก็เอาไปทำบุญทาทานเพื่อหนึ่งจะได้ตัดความโลภความอยากได้เงินทองอยากใช้เงินทองมากขึ้นเพราะเมื่อเอาเงินไปทำบุญทาทานต่อไปความอยากเที่ยวมันจะไม่มีความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆมันจะไม่มีมันก็จะไม่เดือดร้อน มันจะรู้สึกว่ามีเงินทองเหลือเฟือมีเงินทองที่จะไปทำบุญทำทานอยู่เรือ่อยๆหรือถ้าไม่ไม่อยากจะทำจะเก็บไว้สำรองไว้เพื่ออนาคตก็ได้อันนี้จะทำให้สามารถขึ้นชั้นต่อไปได้พอเราสามารถทำบุญทำทานได้เลิกใช้เงินกับการซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหรา เสื้อผ้าเต็มตู้รถตู้แล้วยังซื้อใหม่ทําไมร่างกายก็มีร่างเดียวรองเท้าก็เต็มตู้เท้าก็มีคู่เดียวเวลาใส่ก็ใส่ทีละคู่ไม่ได้ใส่ทีร้อยคู่มีไว้ก็กลายเป็นภาแล้วแล้วก็ยังไม่พอมีร้อยคู่เชื่อไหมก็ยังไม่พอแต่เห็นคู่ใหม่ที่ร้านก็อยากจะได้ แต่ถ้าถือเอาเพียงคู่เดียวรับรองนะว่าต่อไปจะไม่อยากได้เลยถ้าหัดลองใช้คู่เดียวดูเลยลองมังทับใจว่าต่อไปนี้จะใช้คู่เดียวถ้าคู่นี้ยังไม่พังยังไม่ซื้อใหม่ต่อไปความอยากซื้อรองเท้ามันจะหายไปมันเห็นแล้วก็จะเฉยๆเสื้อผ้าก็เหมือนกันถ้ายังไม่ขาดยังใส่ได้อยู่ก็ใช้มันไปสมัยก่อนนี้เสื้อผ้าหายากเขาปะกันปะกันไปหมด สมัยนี้เลยต้องมาทำแบบสมัยก่อนเสื้อผ้าดีๆก็มาปะกันบ้างมาทำให้มันขาดบ้างเนี่ย เ, เสียเงินเสียทางไปซื้อผ้าขาดกันสมัยก่อนเขาเก็บเงินเก็บทองไว้แล้วใช้ผ้าขาดเขาได้เงินได้ทองแต่สมัยนี้กลับไปเสียเงินเสียทองเพื่อจะได้ผ้าขาดมาใส่กันกินเสืดด่ววมันจะหลานหรือโง่กันนี่แหละ กิเลสมันหลอกเราเนี่ยความอยากมันหลอกเราถ้าเราไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เนี่ยเราจะถูกกิเลสหลอกให้เราใช้เงินใช้ทองแบบไม่รู้จักคำว่าพอกันเราจะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมกันเพื่อที่จะได้หาเงินหาทองมาใช้กันอย่างต่อเนื่องก็จะไม่มีทางที่จะเข้าโรงเรียนของพระพุทธศาสนาได้ถ้าไม่หัดทาบุญทาทานกันก่อน ถ้าทำบุญทำทานได้แล้วขั้นต่อไปก็จะง่ายคือขั้นรักษาศีลผู้ที่มีใจที่เป็นบุญแล้วจะมักจะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยคนทำบุญทำทานนี้เป็นคนที่มีความเมตตาต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ต้องการเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่ทำบาปเพราะการทำบาปก็เป็นการเบียดเบียนนี่เป็นการไปทำให้คนอื่นเขาทุกข์กัน เวลาเราสวดบทแผ่เมตตาเนี่ยขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขรักษาตนเถิดอย่าทุกข์กายทุกข์ใจไม่เบียดเบียนกันไม่จองเวรจองกรรมกันอันนี้แหละคนที่ทำบุญจะมีเมตตาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วจะทำให้การรักษาเสียนี้เป็นของง่ายไป เพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินหาทองหาสินของต่างๆมาบำลงบำเลอจิตใจเพราะจิตใจได้ความสุขจากการทำบุญทำทานก็เลยไม่ต้องดิ่นหล่นไปทำบาปให้ให้ให้เป็นโทษกับจิตใจไปปะปะก็จะสามารถเลื่อนชั้นอนุบาลขึ้นสู่ชั้นปฐมได้คือชั้นชั้นศีลเป็นชั้นปฐม ก็จะเริ่มรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายได้แล้วต่อไปก็อยากจะเพิ่มเป็นศีลแปดก็จะหัดรักษาศีลแปดในวันพระก่อนคาว่าวันพระความจริงในสมัยโบราณหมายถึงวันหยุดวันหยุดทำงานเป็นวันที่ชาวพุทธในอดี ต, ตการนี้จะเข้าวัดกันในวันวันพระเพราะเป็นวันหยุดทำงานมีเวลาว่าง ไปโรงเรียนกันพูดง่ายๆไปเรียนไปเรียนวิชาพุทธศาสนากันไปทําบุญทาทางขั้นอนุบาลแล้วก็ไปรักษาศีล8ปศีลห้าขั้นปฐมแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิขั้นขั้นมัธยมแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นขั้นปริญญาต่อไปอันนี้สามารถเรียนควบคู่กันไปได้พร้อมๆกัน พอเราเร ม, มีเวลาว่างไม่ต้องไปดิ้นนนท์ทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันเราก็จะมีเวลาว่างเข้าวัดเพิ่มมากขึ้นได้ตามลําดับแต่ในเบื้องต้นนี้ถ้าเรายังไม่มีเวลามากก็เอาวันหยุดนี่แหละเป็นวันที่เราไปโรงเรียนกันโรงเรียนพระพุทธศาสนาสมัยนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดของพวกเราวันหยุดทํางาน วันหยุดทำงานของพวกเราสมัยนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์งั้นเราก็ต้องถือวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นวันนี้เป็นวันเสาร์ญาโยมไม่ต้องไปทำงานทำการกันก็มาวัดกันจะมาแบบชั่วคราวฟาเช้าเย็นกับหรือมาแบบค้างคืนก็ได้หรือมาแบบเฉพาะมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทำทานก็แล้วแต่ความสะดวกอย่างน้อยก็ต้องเข้าโรงเรียนกันมา ทำขั้นอนุบาลมาทำบุญทำทานกันแล้วอย่างน้อยก็มารักษาศีลกันไม่ใช่ศีลห้าบ้างหรือศีลแปดบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็มาฝึกสมาธิทั้ไม่เวลาเช่นมานั่งฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นวิธีฝึกสมาธิไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นวิธีเจริญปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาในตัวด้วย ฟังเทศฟังธรรมนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนฟังเทศก็ต้องมีสติคอยฟังมีสติคอยฟังไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะนดน้อยถอยลงไปทำให้ใจเย็นใจสงบลงถึงแม้ว่าจะไม่สงบเต็มร้อยก็ตามแต่ก็เป็นขั้นเริ่มแรกของการเข้าสู่สมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมไป เพระปกติถ้าไม่ได้ฟังธรรมนี้ให้นั่งเฉยๆแบบนี้สักชั่วโมงหนึ่งนี้นั่งไม่ได้หรอกเดี<ม>๋ยวต้องขยับเดี<ม>๋ยวต้องลุกไปทํานู่นทํานี่เดี๋ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถึงอาทิตย์นี้เคยนั่งเฉยนี้มั้งนะเคยนั่งเฉยๆแบบนี้กันมั้ยไม่เคยได้นั่งเฉยๆกันหรอกเพราะว่าความอยากมันคอยดึงให้ไปทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็ความจําเป็นที่จะแล้วต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ความจำเป็นที่จะต้องไปทำงานทําการมันเลยทำให้ไม่สามารถนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้ได้ต้องเป็นวันหยุดอย่างนี้แล้วก็ต้องมีความตั้งใจว่าวันนี้ต้องไปเรียนหนังสือกันต้องไปโรงเรียนกันไปเรียนวิชาพุทธศาสนากันเราถึงจะมาวัดกันได้มาวัดแล้วเราก็หาที่นั่งกันแล้วพอได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็มีสติ คอยจดจอ่อคอยควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้มันคิดฟังแล้วเราก็จะได้ความรู้ด้วยได้ความสงบด้วยเป็นการได้สองต่อยิงนกด้วยกระสุนลูกเดียวได้นกสองตัวคือได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งความสงบและได้ทั้งปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆเนวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเรา เรามีความสัมพันธ์กับพระพุนนทธศาสนาอย่งางไรพระพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนเราเป็นนักเรียนเราต้องเข้าโรงเรียนถ้าเราอยากจะไเรียนจบหลักสูตรของรพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าโรงเรียนมันก็เหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไปสมัครเรียนแล้วก็ไม่เข้าจ่ายค่าเทอมแล้วก็ไม่ไปโรงเรียนก็เสียเงินเสียทองไปกว่าก่าอันนี้ไม่ต้องเสียเงินทอง แต่มาสมัครได้ทุกคนแล้วก็นับจํานวนไม่จํากัดด้วยแล้วก็ไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดฐานะจะรวยจะจนจะใหญ่โตหรือไม่ใหญ่โตทุกคนนี้สามารถเข้าโรงเรียนนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเร่าเรียนด้วยขอให้มีเพียงแต่ศรัทธาความเชื่อเชื่อฟังคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์ แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราไม่ใช่ว่าข่าวัดทิลายก็มาประกอบพิธีกรรมปลูกเศษนื่นปลูกเศษนี่กันเสร็จแล้วก็ขอให้ได้ความร่ารวยให้ความเจริญก้าวหน้าทางปิจิการหรือทางหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศกัน อันนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธและไม่ได้เป็นหน้าที่ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่สามารถเสษเป่าให้เราเจริญก้าวหน้าลูกเรืองทางราบยศสารเสริญสุขได้เพราะเรื่องของราบยศสารเสริญสูขนี้มันเป็นเรื่องของอนิจจั ง, งไม่แน่นอนอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปสั่งมันได้ บางทีสั่งให้มันรวยมันก็ไม่รวยสั่งให้มันเป็นใหญ่มันก็ไม่เป็นใหญ่มันเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยที่บางทีก็ควบคุมได้บางทีก็ควบคุมไม่ได้เะฉะนั้นอย่ามาหวังอะไรจากศาสนาพุทธอย่าไปว่าอย่ามาหวังลาบยศสรรเสริญจากศาสนาพุทธสิ่งที่เราหวังได้ก็คือที่ศึกษาที่เล่าเรียนเพื่อจะได้ความรู้ชั้นต่าง ได้ความรู้ชั้นทานชั้นศีลชั้นสมาธิชั้นปัญญาเพราะความรู้เหล่านี้นะที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดไปได้ขั้นทานนี้เราก็เห็นชั้นแล้วว่าถ้าเราสามารถทำทานได้เราจะไม่ต้องทุกข์กับการหาเงินหาทองมากมายไม่ต้องทุกข์กับข้าวของเงินทองข้าวของต่างๆที่เราซื้อมากันซื้อมาแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษา แล้วก็ทุกข์กับเวลาเห็นข้าของใหม่ๆก็อยากได้กันพอไม่ได้ก็เสียใจกันจะไม่มีเพราะไม่มีความอยากได้ของเหล่า น, นี้แล้วเพราะรู้ว่ามันเป็นของไม่จําเป็นมันเป็นเหมือนยาเสพติดเอามาแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจขั้นทานก็ดับความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินใช้ทองการหาเงินหาทองได้ขั้นศีลก็จะระดับความทุกข์จากการทําบาปได้ บองกันไม่ให้ต้องไปเกิดในอบายได้ไปเกิดในอบายนี้มันทุกข์มากกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เราเปรียบเทียบระหว่างการมาเป็นมนุษย์กับการเป็นสัตว์เดรัจฉานดูก็แล้ว ก, กันว่าใครจะทุกข์มากกว่ากันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมันไม่มีปัจจัยสี่เหมือนมนุษย์นะมนุษย์เรามีปัจจัยสี่สัตว์เดรัจฉานนี่มันหากินห า, นหาอยู่ไปตามธรรมชาติของมัน แล้วมันจะตายเมื่อไหร่ก็มันก็ไม่รู้มันจะกลายเป็นอาหารของของสัตว์ที่ใหญ่กว่าเมื่อไหร่มันก็ไม่รู้มันอยู่ท่ามกลางความภัยต่างๆมากมายกายกองก า, การอยู่แบบมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่อยู่ที่ปลอดภัยกว่าอยู่ที่มีความมั่นคงกว่ามั่งคั่งกว่าในเรื่องปัจจัยสี่อันนี้ผลเกิดจากการไม่ทาบาป ถ้าไม่ทำแบาปแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างแน่นอนเราก็ต้องรักษาศีลกันให้ได้ทำทานได้แล้วเราก็จะรักษาศีลได้ง่ายรักษาศีลห้าได้เราก็มาลองรักษาศีลแปดกันดูเรื่องต้นเอาห้าข้อก่อนไม่มั่นใจยังไม่มีกำลังมากก็เอาห้าข้อก่อนอย่างวันนี้ลองรักษาห้าข้อก่อนก็ได้ แล้วถ้ารักษาห้าข้อได้ก็ลองแปดข้อดูวันคนที่รักษาห้าข้อได้วันนี้ลองรักษาแปดข้อดูมันไม่ยากหรอกเพิ่มอีกสามข้อเท่านั้นเองเมื่อรักษาได้ห้าแล้วเพิ่มอีกสามันก็ไม่ไม่ยากหรือถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้แปดข้อเอาเจ็ดข้อก่อนก็ได้เอาหข้อก่อนก็ได้เพิ่มมันไปที่ตามกําลังของเราเพิ่มไปเท่าที่เราจะทําได้ พ่ารักษาศีลได้มากมันก็จะกําจัดความทุกข์ได้มากขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําผิดศีลนี่<ม>การทำทามต่าง ๆ, างๆที่ศีลห้ามทํานี้เพราะว่าทําแล้วมันทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเราไม่ทํามันแล้วมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจตามมามถ้าวันนี้ถือศีลแปดได้เนี่ยก็ไม่ต้องทุกข์กับอาหารเย็นนะไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้จะไปกินที่ไหนกินอาหารอะไร เดี๋ยวได้กินอาหารที่ไม่ถูกปากก็ทุกข์ใจขึ้นมาอีกอันนี้ตัดปัญหาเรื่องกินมื้อเย็นได้แนละ้วถ้าถือสินตปดได้ตัดปัญหาเรื่องการไปเที่ยวเตะได้ถ้าถือศินห้ามันยังไปเที่ยวได้เดี๋ยวคนนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีไป ด, ไปดูหนังดีไปงานเลี้ยงที่ไหนดีไปหาเพื่อนที่ไหนดีมันก็ทําให้ต้องมาวุ่นวายใจกับการกระทําเหล่านี้ พอถือศีลแปดได้จบอยู่บ้านอยู่วัดไม่ต้องไปทำอะไรแล้วจะทำให้เรามีเวลาด้วยมีเวลาที่จะไปฝึกชั้นที่สูงกว่าคือชั้นสมาธิพอทานถือศีลแปดนี้จะทำให้เราระ ง, งับกิจกรรมต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหมดเลยเอาเวลาที่เราใช้กับการไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ มาใช้กับการมาฝึกสมาธิกันมาฝึกจิตทำจิตให้สงบเพราะถ้าทำจิตให้สงบได้ดับความทุกข์ได้มากกว่าความทุกข์ที่เราดับด้วยทานด้วยศีลเพราะเวลาจิตสงบนี้ความทุกข์หยุดร้อยเปอร์เซ็นตเลยถ้าถ้าสงบเต็มที่ความทุกข์ต่างๆที่มันแสดงอยู่นี่มันจะหายไปหมดเลยแต่ถ้า สับหยุดไม่ได้เต็มที่มันก็จะหายไม่ได้เต็มที่ถ้าหยุดได้ห้าสิบทุกมันก็จะหายไปห้าสิบเบาลงไปแต่ก็ถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันต่อไปมันก็จะหยุดได้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับการที่จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่สมาธิได้ก็ต้องฝึกสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมา าสตินี้เป็นผู้ที่จะกำกับควบคุมความคิดให้หยุดคิดได้ถ้าใจยังไม่หยุดคิดใจจะสงบไม่ได้เหมือนรถนี้ถ้ายังไม่หยุดวิ่งนี่รถมันยังมันยังไม่จอดมันต้องต้องใช้เบรกต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดมันถึงมันถึงจะ น, นิ่งได้คนถึงจะลงจากรถได้แต่ถ้ารถยังวิ่งอยู่นี่ลงไม่ได้ฉันั้ จิตจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีสติสตินี้เป็นเบรกสตินี้คืออะไรก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการมาควบคุมความคิดต่างๆซึ่งมีหลากหลายอารมณ์ที่เราสามารถใช้ได้ในตำราในคำพีท่านก็แสดงไว้ถึง40อารมณ์เรียกว่ากรรมฐาน40น เราสามารถเลือกใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ไม่ต้องใช้ทีเดียวทั้งหมดเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมถ้าโดยทั่วไปแล้วก็มีอยู่สองอย่างที่เราใช้ได้สองสามอย่างขเกี่ยวกับกรณีนะถ้าเรายังไม่ได้นั่งเฉยๆแบบตอนนี้อยู่เรายังมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายอยู่มียังมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นนอยู่ขณะที่เราทา น, น, นู่นทานี่ เราก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธหยุดความคิดได้ให้มันอยู่กับงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวไม่ให้มันไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้วันนูน้นวันนี้ให้มันอยู่กับงานที่เราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอันนี้ไม่ต้องใช้ความคิดแต่เรามักจะคิดควบคู่กับการทำงานเหล่านี้ไปแปรงฟันไปก็คิดถึงเมื่อวานนี้บ้างคิดถึงพรุ่งนี้บ้าง เราต้องการหยุดความคิดเหล่านี้ความคิดที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเราก็สามารถใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งอยู่ในกลุ่มของ อ, อนุสติสิบประการอนุสติเช่นพุทธานุสตินี่ก็เป็นอนุสติอย่างพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธนี้ ถ้าเราพูดโทรพุดโธนี่แสดงว่าเรากำลังเจริญกรรมฐานกาลังเจริญสติภาษาเราพูดปนกันจเจริญกรรมฐานก็ได้จเจริญสติก็ได้เพราะสติก็คือกรรมฐานนี่คือพุทธานุสตนินี่ในกรณีที่เราเคลื่อนไหวอยู่ทำงานทำการอยู่หรือถ้าเราอยากจะใช้การเฝ้าดูการงานที่เราทำอยู่ก็ได้คือ กายกตาสติให้เฝ้าดูการทางานต่างๆของร่างกายร่างกายกำลังยกของก็ให้อยู่กับการยกของร่างกายกำลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารเช่นเดียวกันเหมือนกับใช้พุโทโธแต่แทนที่จะใช้พุโทโธก็ดูร่างกายแทนไปอย่าให้อย่าให้ทิ้งร่างกายไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เรียกว่ากายกาตาสติ ที่เรามักจะใช้กันในช่วงที่เรายังไม่ได้นั่งเฉยๆแต่เรานั่งเฉยๆอย่างตอนนี้เราก็มีหลายวิธีเหมือนกันแต่วิธีที่ใช้กันที่สอนกันอยู่ก็คือการนั่งดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็นั่งแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกแทนที่จะดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ก็ดูการหลเข้าหลาออกของลมหายใจเพราะฉะนนั้นร่างกายนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆฉยก็ไม่มีอะไรให้ดูก็มาดูที่ลมหายใจแทนดูลมหายใจท่านก็เรียกว่าอาณาปานาสติอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือมีการระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองเรียกว่าอาณาปานาสติ หรือท่านที่ใช้พุโทโธอยู่ในขณะที่ยังไม่ได้มานั่งอยากจะใช้พุโทโธต่อไปก็ได้โดยที่ไม่ต้องดูลมก็ได้ก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธต่อไปเพราะถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันบางท่านก็อยากจะรวมสองอย่างมาก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้แต่ไม่จําเป็น ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งด้า น, นี้มันจะดีกว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าพุโทโธก็ไม่ต้องไปดูลมไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องลมถ้าทำโมทำโมถ้าดูลมก็ไม่ต้องไปพุโทโธก็ได้ดูลมเองอย่างเดียวหรือถ้ายังพุโทโธไม่ได้ยังดูลมไม่ได้เพราะใจยังฟุ้งอยู่ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่จะสวดวนไปก็ได้สวดอิติปิโสไปหลายๆจบก็ได้จนกว่าใจจะ หายจากความฟุ้งร้านแล้วค่อยมาดูลมแล้วมาพุโทโธต่อหรือบางท่านก็อย่างที่ตอนนี้นั่งฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้<ม>ถ้านั่งดูลมไม่ได้พุโทโธยังไม่ได้<ม>สวดมนต์ยังไม่ได้<ม>ก็นั่งฟังธรรมไปก่อนก็ได้ฟังไปให้ใจมีให้มีสติอยู่การฟังเสียงธรรมนี้ก็เรียกว่าธรร ม, มานุสติ ธรรมะจะเข้ามากล่อมใจของเราให้สงบได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเด็กวิธีหนึ่งแต่เวลาฟังธรรมก็ไม่ต้องไปดูลมไม่ต้องพูดโทเดี๋ยวมันจะไปชนกันไปทำให้สับสนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะฟังธรรมก็ฟังไปอย่างเดียวไม่ต้องดูลมไม่ต้องพูดโทไม่ใช่พูดธโทไปด้วยดูลมไปด้วยฟังธรรมไปด้วย เดี๋ยวมันก็กลายเป็นเรื่องตีกันเดี๋ยวก็เรื่องธรรมะเดี๋ยวเรื่องธรรมก็เข้ามาลบปวนพุทธโธเดี๋ยวพุทธโธก็เรื่องลมก็เข้ามาเลยสับสนกันไปหมดเห็นไหมเวลาฟังธรรมนี้ไม่ต้องพุทธโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกให้ฟังอย่างเดียวฟังแล้วถ้าคิดตามได้ก็จะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจ ความเข้าใจนี้แหละคือความปัญญาถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจนี้ยังไม่เป็นปัญญาเพราะเหมือนกับฟังแล้วเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปยังไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์มาดับความทุกข์ต่างๆได้แต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกเกิดจากความอยากของเราถ้าอยากจะหายทุกข์ก็หยุดความอยากอ๋อเข้าใจเพราะเวลาเกิดทุกข์ใจอยากได้นูน่นอยากได้นี่ พออยากจะให้หายทุกข์ก็หยุดความอยากเปลี่ยนใจซะไม่อยากเอาไม่ไม่เอาก็ได้วะอยากได้แล้วไม่ได้เสียใจก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้พอเปลี่ยนใจปุ๊บความทุกข์ความเสียใจก็หายไปทันทีอันนี้เรียกว่าปัญญาฟังเพื่อให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจให้รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากความอยากน่าจะทำไงให้ความทุกข์หายไปก็อย่าไปอยากใน ในสิ่งนี้ทำให้เราทุกข์ก็แล้วกันท่านั้นเองนี่คือวิธีการที่เราจะมาศึกษาโรงเรียนพระพุทธศาสนาในวันหยุด เ, ยเราเรียกว่าวันพระแต่สมัยนี้วันพระไม่ตรงกับวันเสาร์วอาทิตย์แล้วเราก็ต้องยึดหลักวันเสาร์วนอาทิตย์เป็นวันพระใหม่ของพวกเราเพื่อเราจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่ว่าง อย่างนั้นพอเจอวันพระตรงกับวันจันน์เนอะไม่ว่าหนีโรงเรียนอย่งแล้วไปทํางานแล้วไม่ต้องไปโรงเรียนอย่งแล้วก็จะไม่มีวันเข้าวัดกันพอถึงวันพระตรงกับวันสาวันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นมาอาทิตย์ก็เดี๋ยวอาติดธุระเพื่อนจะชวนไปเที่ยวที่นน้นที่นี่ก็ไม่ไปวัดเองอ่ะอย่างนั้นเราต้องถือวันใดวันหนึ่งเป็นวันพระต้องตั้งต้องตั้งสัจจะอธิษฐานถึงจะทําได้ต่อไปนี้เราจะถือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เป็นวันพระเป็นวันที่เราจะมาเรียนหนังสือทางวิชาของพระพุทธศาสนากันเราจะไปโรงเรียนกันเราจะไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกันถ้าไม่ได้มาวัดก็ไม่เป็นไรอย่างนี้วัดไปถึงบ้านนะมีทางอินเทอร์เน็ตมีทางมือถือแบดูได้โอนเงินได้วัดวาต่างๆมีบัญชีเยอะแยะไปหมดอยากจะทําบุญกับวัดไหนก็โอนใส่บัญชีวัดนั้นไปก็ถือว่าได้ทําบุญนะรักษาศีลรักษาที่นั่นก็ได้ รักษาที่บ้านก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวดีที่สุดถ้าอยู่กับหลายคนมันอาจจะลําบากหน่อยเพราะเราอาจจะรักษาศีลแปดแต่เขาไม่รักษามันก็จะทําทให้มารบกวนใจเราได้ถึงเวลาเย็นเขานั่งกินข้าวกันไอเรามานั่งอดข้าวกันนี่เดี๋ยวก็ทนไม่ไหวแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจเนีย่ยถ้ามาวัดไม่ได้ก็ถ้าเราสามารถทําบ้านของเราให้เป็นวัดก็ได้ หาที่สงบห้องสงบอยู่คนเดียวไปแล้วก็ปฏิบัติธรรม เ, เรียนธรรมะอยู่ในห้องของเราไปเขียนป้ายที่หน้าห้องว่านี่เป็นโรงเรียนธรรมะเ ร, เรียนเรียนหนังสือธรรมะห้ามเข้าคนนี้ไม่เรียนหนังสือห้ามเข้าคนที่อยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะกินจะดื่มห้ามเข้าห้องนี้ห้องนี้สําหรับผู้ที่จะมาทําบุญทําทานมารักษาศีลมาฝึกสมาธิ มาฟังเทศฟังธรรม น, น, นี่เป็นการเข้าโรงเรียนของเราทําหน้าที่ของนักศึกษาถ้าเราได้เริ่มทาแล้วต่อไปเราจะเพิ่มทำมากขึ้นไปเองเพราะเราจะเห็นประโยชน์เห็นผลที่ได้รับจากการศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนั่นเองแล้วเราอยากจะเพิ่มวันทางานวันเรียนหนังสือให้มากขึ้น จะเพิ่มวันพระให้มากขึ้นจากวันเสาร์วันอาทิตย์ละวันก็เป็นสองวันเอาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยยกเว้นนานถ้ามีกิจจาเป็นที่ยังต้องไปอยู่ก็ยกเว้นไปแต่ถ้าวันไหนไม่มีกิจก็เอามันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แล้วต่อไปก็จะทําเพิ่มไปได้มากๆเพราะต่อไปถ้ามีความสุขใจแนละ้วมันจะไม่หิวกับเงินทองมันก็ทำทำงานได้น้อยลงไม่ต้องไปทํางานต่อไปอาจจะหยุดสี่วัน ทำงานแค่สามวันก็ได้เอาสี่วันมาเป็นวันพระมามาศึกษามาปฏิบัติทำกันนี่คือวิธีของการขยับขึ้นไปเรื่อยๆของการศึกษาทางพระพุทธศาสนาตามจากน้อยไปหามากแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาจริงๆก็ทำมันทั้งเจ็ดวันเลยไปบวชเลยบวชพระบวชชีกันถ้าเข้าถึงขั้นนะั้นแล้วพระพุทธเจ้ารับประกันว่าใกล้แนละ้วใกล้จะสาเร็จแนละ้ว ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็แค่เจ็ดปีเท่านั้นเองจะต้องเรียนสำเด็จหลักสูตรของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนอ น, นี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> จะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง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 มาเตพวตวันตรยโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายีโนจตารธรมมาวาทานติอายุวโนโสุขังพาลางต่อไปนี้ก็เป็นช่วมถามคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เรากแล้วก็ต้องของขาถามตอบนั้นถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ กรับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยอดผู้ฟังรับชมทางเฟ e บุ๊กมี344ท่าน y o ย t u b e 180ท่านวิทยุออนไลน์9ท่านผู้รับฟังแนกุติ138ท่านรวมทั้งหมดเป็น671ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็เฉิญถามได้เลยมีคำถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ กราบนมัศการหลวงพ่อค่ะลูกเขาโอกาสเรียนถามค่ะการเจริญสติโดยใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจำเป็นต้องใช้กรรมฐานเดียวกันทุกการเจริญสติใหม่เจ้าคะเช่นเวลาเดินจงกรมลูกใช้ท่องพุทโธในใจแต่พอนั่งสมาธิใช้คำบริกรรมอาการ32ระหว่างวันตั้งแต่ตื่นจนหลับในเวลาที่ไม่ทางานดูอริยบท หรือบางครั้งก็ใช้พุโทโธเจ้าค่ะลูกสงบบ้างไม่สงบบ้างเจ้าค่ะแต่ก็มุ่ง ม, มั่นพยายามฝึกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่หลวงพ่ออบรมสั่งสอนเจ้าค่ะได้เปลี่ยนได้นะแล้วแต่ความเหมาะสมเพราะว่ากรรมฐานนี้ก็บางทีก็เป็นเหมือนอาหารก<ม>ินอาหารบางทีกินอาหารอย่างเดียวบ่อยๆก็เบื่อ<ม>ก็ขอเปลี่ยนบ้างจากพุโทโธมาเป็นอาการสาสิบสองบ้างก็ได้ สวสดิทิปิโสไปบ้างก็ได้แล้วแต่จริลุแล้วแต่ความเหมาะสมจะใช้ได้เป้าหมายก็คือควบคุมความคิดไว้อย่าให้ฟุ้งซ่านให้จิตอยู่ในปัจจุบันคำถามจากเฟซบุ๊กจากคุณนภศรเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราเล่นเกมโดยที่ใจไม่ได้ไปคิดกุศลเพราะจดจ่อยอยู่กับเกมถือว่าเป็นการทำสมาธิไหมคะ ไม่เป็นหรอกเพราะว่ามันเป็นสมาธิแบบคิดฟุ้งซ่านนะคิดที่จะเอาชนะกันเป็นนไม่ใช่เป็นวิธีที่จะเจริญสติควรจะดูหนังสือสวดมนต์ดีกว่านะดูหนังสือสวดมนต์ไปพุทธทางสรนงคาถามิอะไรไปอย่างนี้จะเป็นสมาสติถ้าดูหนังดู ดูละครนี่มันก็ต้องใช้สติแต่มันสติแบบมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติเนี่ยำถามต่อไปจากคุณดุกดิกกราบนมัสการครับขออนุญาตเรียนถามครับว่าสังคมเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว ไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีรถไม่มีเครื่องบินคําสอนที่สอนคนในสังคมลัชสมัยนั้นผมเข้าใจได้แต่โลกเปลี่ยนไปตั้งเยอะขนาดนี้แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าคําสอนที่สอนในสังคมล้าสมัยจะสามารถสอนคนปัจจุบันได้ครับถ้าได้เป็นเพราะอะไรครับเพราะคนในปัจจุบันก็เหมือนคนในอดีตและเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน มีความโลภความโกรธเหมือนหลังเหมือนกันเฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนี้คำสอนของพระเจ้านี้ใช้ได้ทุกยุคเพราะเรื่องของคนนี้ไม่มีการเปลี่ยนเรื่องของการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายเรื่องของโลภโกรธหลงนี้มันมีคู่มากับจิตใจคู่มากับร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะอยู่ในยุคไหนสมัยไหนก็เรื่องราเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เสมอคาถามจากคุณวิน ขออนุญาตแอดมินกลับเรียนพระอาจารย์ครับการภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธผมรู้สึกว่านึกพุทโธเพียงอย่างเดียวจะเกาะกับพุทโธได้ยากมากไม่นานนักสติก็หลุดไปคิดเรื่องอื่นได้เร็วมากในขณะที่หลับตาภาวนาผมเลยลองกำหนดนึกพุทโธไว้ที่ข้างหน้าของเรา ให้พุโทโธเกิดมาจากตรงนั้นตรงด้านหน้าของเราหรือในบางครั้งผมก็บริกรรมพุโทโธให้เป็นจังหวะจังหวะเช่นพุโทโธจังหวะละสามครั้งเพราะรู้สึกว่าการนึกพุโทโธให้มีที่ตั้งและมีจังหวะนั้นจิตใจของผมจะไปคิดเรื่องอื่นได้ยากกว่าพุโทโธเฉยๆอย่างเดียวกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการภาวนาแบบนี้ผิดจากแนวทางการภาวนาพุโทโธที่ถูกต้องหรือเปล่าครับอ๋อไม่หรอวิธีมันมี หลากหลายโดยกันของแต่ละคนนี่มันสามารถที่จะปรับให้มันเข้ากับความถนัดของผู้ที่ปฏิบัติได้ขอให้เราดูที่เป้าที่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็แล้วกันว่าทำให้ใจสงบได้ไหมทำให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งได้ไหมอันนั้นเป็ น, ปนตัวเป็นตัวที่เราควรจะวัดกันมีคำถามฝากถามนะคะ กราบเรียนถามพระอาจารย์หากเราทำงานออกแบบบาร์กลางคืนที่ขายเหล้าเบียด้วยวเราจะบาปไหมเพราะเราต้องดีไซน์ให้มีความสวยงามดึงดูดคนเข้ามาร้านมากๆค่ะถ้าเราไม่ดื่มมันก็ไม่บาปหรอแต่มันก็ทำให้เร า, เ, าเสี่ยงต่อการทำบาปได้ง่ายเหมือนไปอยู่ใกล้กองไฟเนี่ยมันก็ถึงแม้ยังไม่ได้เข้าไปในกองไฟ อ, อ, อิทธิพลของความร้อนของไฟมันก็อาจจะ มีต่อเราได้เงินทางที่ดีอยู่ห่างไกลกองไฟดีกว่าหรือเดี๋ยวเกิดาพลาดพังเข้าไปอาจจะตกเข้าไปในกองไฟก็ได้เพรอยู่ใกล้ๆเงี้นถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนเถอะเพราะเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นเดี๋ยววันไหนอารมณ์ไม่ดีเอา้าเอาสักขวดหนึ่งเอาตัวขึ้นมามันใกล้มืออะไรเริ่มนี้ไม่ดีฟรีด้วยเงั้นทางที่ดีก็ถ้ายัง ยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องมีความระมัดระวังมีสติคอยป้องกันอย่าไปอย่าไปแตะอย่าไปเสพมันถ้าถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนงานดีกว่าเนี่ยมีคําถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขออนุญาตสอบถามถ้าเราใช้คําบริกรรมเกิดตายแทนพุดโธรได้ไหมขอรับได้เพียงคาตายคําเดียวก็ได้ เกิดแล้วเกิดมาแล้วต้องตายก็ได้่องไปเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายใครได้คำถามต่อไปจากคนกำพลเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราเคยบวชเรียนแล้วครั้งหนึ่งเลาสึกออกไปทำงานอนาคตเราสามารถกลับมาบวชอีกได้ใหม่ขอรับถ้าไม่ได้ศึกไปเพราะทำบาระชิกสี่ข้อก็สามารถที่จะกลับมาบวชได้บาราชิกสี่ข้อก็คือฆ่ามนุษย์ แล้วก็เสกกรามร่วมหลับนอนกับญาติโยมตอนที่ยังเป็นพระอยู่แล้วก็รักทรัพย์แล้วก็ข้อสุดท้ายบวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวตนบวชว่าเป็นพระโสดาแล้วได้ฌานแล้วอะไรโดยที่ไม่มีอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ถูกจับศึกไปเขาไม่ให้กลับมาบวชอย่างนี้คำถามจาก YouTube ดิฉันเป็นคนรักสัต รักครอบครัวแต่ดิฉันมีลูกสะพ้ายสองคนแต่เขาทั้งสองกับไม่รักดิฉันเลยดิฉันคงมีกรรมมากไหมเจ้าคะไม่แน่หรอเราอาจจะไม่เมตตาเขากันได้เขาก็เลยไม่รักเราเพราะเราอาจจะไปแย่งผัวเขาก็ได้แม่ยายกับลูกสะพ้แม่แม่ผัวกับลูกสะภ้ยแย่งของกันเดียวกันแย่งลูกชายอก็เลยเกิดปัญหากันขึ้นมา งั้นยกให้เขาไปแล้วก็ยกให้เขาไปเลยเถิดอย่าไปเถียงว่าเขาเป็นลูกเราแล้วก็แล้วกันเขาจะไปทําอะไรกับลูกเราก็ปล่อยเขาทาไปแล้วรับประกันได้ว่าเขาจะรักเราอันนี้คือการให้เรียกว่าทานให้เขามีความสุขอยากการเสียสละของเราแล้วเขาก็จะรักเราเคารพเราแต่ถ้าเราคอยไปกีดกันยังรักยังหวงลูกอยู่ย เขาจะทำอะไรกับลูกก็ไม่ได้จะชวนลูกไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไม่ให้ไปอะไรทำนองนี้เขาก็ไม่รักเขาก็ไม่ชอบเราเสียดงนั้นต้องต้องให้มีการปล่อยวางลูกชายนี้ไม่ได้เป็นลูกเราแล้วตอนนี้เป็นผัวของเขาแล้วคำถามต่อไปจากคุณเอกชาแน l นะคะขออนุญาตถามครับ เมื่อเราได้กราบไหว้พระพุทธรูปที่คนอื่นสร้างไว้คนที่สร้างจะได้บุญด้วยไหมครับขอบพระคุณครับ เ, เขาสร้างเาได้บุญตั้งแต่ตอนที่เขาสร้างแล้วส่วนคนไปกราบนี้ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนคนละเรื่องกั น, นคนกราบนะได้บุญคนสร้างไม่ได้บุญจากการกราบของของคนกราบการกราบนี้เป็นการกระทาเขาเรียกว่าทำกรรมที่ดีทำบุญกราบพระนี่เรียกว่าเป็นบุญ แต่คนสร้างพรกก็ได้บุญแต่ไม่ได้บุญจากการกราบของคนอื่นไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันคำถามจากคุณเจ้าพยาพิชัยบดินทร์ทองชนะสงครามกราบเรียนถามพระอาจารย์ภรยาฝากถามว่าเวลานั่งสมาธิไปสักคู่แล้วไม่มีความรู้สึกถึงร่างกายตัวเองคืออะไรและจะปฏิบัติอย่างไรต่อก็เวลาจิตนั่งสงบมันก็จะไม่รับรู้เรื่องร่างกาย ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆให้มีสติคอยควบคุมใจอย่าให้คิดให้จิตนิ่งนั่งนิ่งน่งเฉยๆไปนานๆถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปถ้าพุทโธได้ก็พุทโธต่อไปอย่านั่งเฉยๆคำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะหากขณะบริกรรมพุทโธแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆ ต้องจับสติรับรู้ก่อนหรือต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวจะมีอารมณ์อะไรเข้ามาจะเป็นภาพเป็นเสียงอะไรเข้ามาก็อย่าไปสนใจเหมือนตอนนี้เรานั่งฟังกันนี้มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่ต้องไปสนใจให้มีสติอยู่กับการฟังไปเวลาพุทธโธก็ให้มีสติอยู่กับพุทธโธไปจะมีอะไรปรากฏขึ้นมา จากภายนอกก็ดีจากภายในก็ดีก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดกับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวสิงต่างๆที่มันมาลบกวนมันก็จะหายไปคำถามต่อไปหากมีความคิดในขณะปฏิบัติว่าต้องลบสัญญาสังขารออกจากวิญญาณให้หมดนิมิตนี้จริงหรือหลอกเจ้าะ่ะอ๋อก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ดู ว่ามันมันถูกตามหลักธรรมหรือไม่ตามหลักธรรมก็คือสัญญาสังขารวิญญาเราไปลบมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเกิดดับของมันตามเหตุตามปัจจัยเราหยุดมันได้เป็นพักพักด้วยสติเช่นถ้าเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราก็หยุดสังขารสัญญาได้พอเราหยุดสติเมื่อไหร่มันก็กลับมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อได้ คำถามจากคุณน้่นคุณธรรมการนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ทำอย่างไรการนึกถึงความว่างความปราศจากความโลภโกรนหลงความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเหมือนเรเดูท้องฟ้าที่ว่างจากเมฆหมอกต่างๆ คำถามจากพวกไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์หากจะไปร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมระยะเวลาเจดเดือนให้ภาวนาทั้งวันแต่แนวทางการปฏิบัติไม่ตรงกันถ้าเราไปเข้าคอร์สแต่ปฏิบัติในแนวทางที่เราทาอยู่จะเหมาะสมหรือไม่คะก็ขึ้อยู่รับว่าเขาจะอนุญาตให้เราทำอย่างนั้นหรือไม่หรือว่าถ้าเราสามารถทำของเราได้โดยที่ไม่ต้องให้เขารู้ เวลาที่เขาสอนแล้วก็นั่งฟังเขาสอนไปเวลาที่เราปฏิบัติเช่นเขาสอนให้ดูลมเราใช้พุทโธอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้มันก็เหมือนกันก็ทำได้แต่ถ้าต้องไปทำอะไรที่ออกมาทางการแสดงทางที่เขาเห็นได้เขาก็อาจจ ะ, ะเขาอาจจะไม่ต้องการให้เราทาแบบนั้นก็ได้ คุณอตอมหุ่นนักมวยผมขอสัญญาว่าจะเลือกเที่ยวแล้วมาถือสิ่งครับสาธุสาธุาสัญญาง่ายๆนะพูดไปแล้วนี่ถ้าไม่มีสัจจะนี่บาปนะไม่จะพูดเอาใจคนคนสอนหรือเปล่าคนสอนไม่ต้องเอาใจเราเอาใจตัวเราเองรักษาใจตัวเราเองด้วยสัจจะนะเป็นความตั้งใจที่ดีเรียวกว่าอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ต้องมีสัจจะ ไม่โกหกตัวเองไม่หลองลวงตัวเองว่าจะไม่เที่ยวแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เพื่อนโทรมาให้มีตั๋วฟรีสองใบไปไ้ยไปแล้วอันนี้ก็ต้องเด็ดขาดต้องตัดให้ได้คำถามจากคุณวัดพิพัฒคุณคำถามครับถ้าเราไม่ใช้วิธีเข้าฌานแล้วพอจางคลายแล้วค่อยมาเจริญวิปัสสนา แต่เมื่อขนาดปฏิบัติมีอุปจารสมาธิแล้วมาอยู่กับผู้รู้แล้วมองอุปจารสมาธินั้นได้ไหมครับสอสองวิธีนี้เสียต่างกันอย่างไรหรือตามเฉลดครับที่พูดนี้ไม่ใช่อุปจารสมาธิหรอกเราอุปจารสมาธิต้องผ่านฌานก่อนถึงจะไปเข้าอุปจารสมาธิได้อย่างนั้นจเรียกว่ากําลังเข้าฌานอยู่ยังไม่เข้าถึงฌาน ยังมีการรับรู้มีความคิดปรุงแต่งในเรื่องราวต่างๆอยู่อันนั้นยังไม่มีกำลังที่จะไปใช้ในการเจริญปัญญาได้ังนั้นอย่าเพิ่งต้องพยายามดูลมหายใจหรือพุโทโธไปให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วถึงจะพิจารณาทางปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วได้คำถามจากคุณจงหมิน่นหุ้ยชิ่งกลาบในมัสการหลวงพ่อครับ ผมอยากถามว่าเราจะทำยังไงให้เราปล่อยวางเรื่องที่แย่ๆในอดีตได้โดยไม่ย้อนกลับไปคิดถึงอีกระหว่างปล่อยวางด้วยความเข้าใจหรือปล่อยวางด้วยการคิดว่าเป็นกรรมออเบื้องต้นหยุดมันด้วยการคิดถึงพุทธโธเดีกว่ามันจะไปคิดถึงอดีตก็ท่องพุทธโธพุทธโธไปหรือสวดอิตีปิโสไปสักพักหนึ่งมันก็หยุดคิดถึงเรื่องอดีตได้ ถ้าเราหยุดด้วยพุโทโธได้แล้วต่อไปแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอาดีตมันผ่านไปแล้วมันเหมือนความฝันไปแก้หรือไปทำอะไรมันไม่ได้แล้วอย่าไปสนใจดังนั้นะกาทาได้ต่อไปมันก็จะเลิกคิดถึงอดีตคาถามจากคุณเอกรัตภูพิมสันเรียนถามพระอาจารย์ครับความกลัวทำยังไงถึงจะหายกลัวครับเช่นผีเป็นต้นครับ ก็เวลาเจอผีก็ให้พร่องพุโทโธพุธโทโธไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงผีเดี๋ยวใจสงบแล้วผีก็หายไป mm hmm. เพราะผีส่วนใหญ่ออกมาจากใจเราเองใจเราไปว่ามันเป็นผีควาจริงมันเป็นลมพัดใบไม้หรือว่าผีมาพัดนะผีมาได้ยินเสียงตุ๊กแกเสียงจิ้งจกวิ่งอยู่บนหนังคามันก็คิดว่าผีมาดัง mm hmm. นั้นก็ทําใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธ หรือดูลามาหายใจดูไม่ได้ตอนนั้นต้องพุโทโธหรือสวดมนต์ไปเดี๋ยวพอใจไม่ไปคิดถึงผีผีมันก็หายไปเองหมดแล้วเหยอหมดแล้วเจ้าค่ะคมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจิารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ